ชี้ทางบรรเทาทุกข์บรรลุซึ้งซึ่งปัญญาในสันสนีสนทนา และห่วงห่วงใยดังลูกแท้เฝ้าอบรมดูแลด้วยใจ สวัสดีค่ะท่านฟังที่ครบคะ่ะเรามาพบกันอีกนะคะกับรายการสัสนิย์สนทนาที่มีดิฉันสัสนิยนักพงดําเนินรายการอยู่ทางสถานีวิทยุรอบครัวข่าวสททเอฟเอ็มร้ 6, เนี่ยนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะที่เรามาพบกันนอกจากนี้ก็ยังมีเพื่อนร่วมฟังกับท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทาง FM ฟเอร้อยู่ก็คือท่านผู้ฟังที่ฟังทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติอีกร้อยสถานีค่ะ วันนี้ยังเป็นวันที่หลายคนอาจจะหยุดต่อเนื่องนะคะจากโอกาสวันหยุดเฉลิมพระชนพรรษาแล้วก็มาถึงเดือนธันวาคมเป็นเดือนมหามงคลคนไทยทุกหมู่เหล่าถ้าเป็นองค์กรก็ทำงานในลักษณะองค์กรถ้าเป็นแต่ละบุคคลก็พยายามนะคะที่จะ ทำอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นสิ่งที่ดีถวายเป็นพระชะกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรากาสสำคัญนี้ก็คือห่วงของการเฉลิมพระชนพรนษาเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีแล้วก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะคะที่ที่ฉันจะนำเอามาพูดในตอนขึ้นต้นของรายการนี้ก็เห็นว่าเป็นโครงการที่ได้ทาขึ้นมาเพื่อที่จะถวายเป็นพระชะกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้ง องสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏ ด, ด้วยคือโครงการแก้วตาดวงใจเทิดไทองค์ราชาราชินีในโอกาสมหามงคล60ปีราชาพิเศษค่ะโครงการนี้เป็นโครงการที่อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมสร้างมหากุศลถวายแด่ทั้งสองพระองค์ด้วยการผ่าตัดหัวใจ600รายผ่าตัดตาต้อกระจก600รายแล้วก็ฉายรังสีรักษาผู้ป่วยมะเร็ง600ราย เลขห0 0อยนี่ก็ล้อกับ60สิปีราชาพิเศษนะคะโครงการเหล่านี้เป็นโครงการที่จะช่วยสงเคราะห์คนเจ็บแค่ได้ป่วยโดยเฉพาะอย่างตากับหัวใจนี่ต้องบอกว่าเป็นอวัยวะที่ใครๆก็รับใครๆก็หวงแหนแล้วก็ไม่อยากจะสูญเสียไปตามองไม่เห็นในชีวิตหมดความสุขไปเลยแต่ถ้าหัวใจทำงานไม่ได้ อันนี้ชีวิตก็หมดโอกาสอยู่บนโลกใบนี้นะคะเป็นโครงการที่สืบทอดมาตั้งแต่ในสมัยที่คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ซึ่งได้ลุกขึ้นมาทําโครงการนี้ในานามของมูลนิธิเพื่อไทยเนี่ยทํามาตั้งแต่ครั้งยังเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธรารณาสุขตอนนั้นพวกเราก็ได้มีโอกาสที่จะได้ไปช่วยกันแล้วก็ได้เห็นนะคะว่าผู้ป่วยที่ยากจนะมีเป็นจํานวนมากถึงแม้ว่าทางรัฐบาลจะมีความพยายามในการที่จะให้บริการแล้ว แต่ว่าหมอก็มีน้อยนะคะเงินก็ใช้เยอะทำอย่างไรถึงจะให้ท่านทั้งหลายเหล่านี้ซึ่งเป็นผู้ป่วยนั้นได้เข้ารับการบริการได้รวดเร็วทันท่วงทีก็บางครั้งเนี่ยนะคะอาจจะมีสิทธิ์แต่ในระหว่างรอนานๆร่างกายมันรอไม่ไหวก็อาจจะเสียชีวิตไปหรือว่าอาจจะตาบอดไป ในคราวนี้การทํากิจกรรมเนี่ยได้พบว่าผู้ป่วยรักษาเมเรงที่ต้องใช้รังสีรักษาก็เป็นผู้ป่วยที่น่าเห็นใจอีกเช่นเดียวกันว่ามีความจําเป็นที่จะต้องได้รับรังสีในการรักษาได้อย่างทันท่วงทีก็จึงได้เพิ่มวัตถุประสงค์ในส่วนนี้ขึ้นมาด้วยนะคะค่าใช้จ่ายที่ตั้งขึ้นมาว่าสําหรับการผ่าตัดหัวใจต่อรายเนี่ยก็3ามหมบาทตาต้อกระจกพั0หบาทส่วนใช้รังสีรักษาผู้ป่วยเมเร็งนี่ก็รายละ 8,000 บาทนะคะโดยท่านสามารถที่จะสนับสนุนด้วยการซื้อสคสอซึ่งคุณหญิงก็ใช้เวลาในยามที่ถูกห้ามเล่นการเมืองเนี่ยมาวาดภาพและทำสคสขายจำหน่ายที่เอมพ์โบรียมสยามพารากอนเดอะมอลล์เซ็นทรัลแล้วก็ 7-11 ใกล้ๆบ้านท่านหรือว่าจะด้วยวิธีที่ไปบริจาคร่วมกับทางมูลนิธิก็ได้นะคะที่ เลขที่บัญชีของธนาคารไทยพาณิชย์สาขาลาดพร้าว0472546404ค่ะหรือว่าสอบถามได้ที่ทางาคุณนิพาพันธ์นะคะหมายเลขโทรศัพท์0847234644ใครที่ถนัดในการใช้คอมพิวเตอร์เข้าไปที่เว็บไซต์ World Wide Web สุด .com s u d a r a t .com ก็อนุโมทนาทุกท่านได้เวลาที่เราจะไปพบกับพระาอาจารย์ไพบูลอาจพรปุณโนในช่วงเวลาถามโลกตอบธรรมในอีกไม่ช้านี้แล้วคะ่ะสรรหาเรื่องราวดีๆชี้ทางบรรเทาทุกข์บรรลุซึงซ้งซึ่งปัญญาในสันสนีสนทนา สวัสดีครับผมพิษนุนเองกลัดวันนี้ผมมาแนะนําทริปในการรวยเบ้นรวยเงินล้านง่ายๆครับแกฝากสลากลอตสิท พ, พิเศษชมหมาอายุ5ปีเพียงหน่วยละ100บาทคนก็มีสิทธิ์ลุนลุเบ้นถึง10คันฟังไม่ผิดหรอครับลุนเบ้นเตือนละครับ2เดือนสุดท้ายลุ้นเดือนละ3คันรวด<อ>แถมลุนในวันที่1รั20ล้านบาททุกเดือนฝากครบกําหนดรับดอกเบีย้ยสูงงานนี้ฝากก่อนลุนรุเบ้นก่อนถึง30ในสายนปีน่ะโผล่เลย1115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 คราวนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายของปีสองห้าห้าสองอ๋อค่ะถือโอกาสที่จะถวายเป็นพระราชสุฆลพระเจ้าอยู่หัวด้วยไหมคะใช่เพราะว่าในทุกเอ่อเวลาค่ําเนี่ยก่อนที่เราจะไปแยกย้ายกันไปพักเนี่ยเราจะมีการถ่ายเมตตาค่ะซึ่งการถ่ายเมตตาแต่ละครั้งเนี่ยในทุกๆการหลีกเรนที่เราจัดมาเนี่ยเราก็อ่แผ่เมตตาให้แก่พระบาทสมเด็พระเจ้าอยู่หัวโดยพระนายเจ้าพระบรมราชินีนาถแล้วก็พระบรบมวงศานุวงศ์อยู่แล้ว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 ในส่วนตัวคิดตัวเองนะคะว่าอุดรก็จัดว่าอยู่ทางเหนือเหนืออากาศเย็นๆอาจจะมีคนอยากไปปฏิบัติธรรมตอนอากาศเย็นมากขึ้นใช่ตอนนี้อากาศเย็นมากก็ประมาณตอนเช้านี่เจ็ดองศาเย็นเย็นจนไม่สบายหรือว่าเย็นกําลังสบายก็นไหมค่ะเ อ, อ่เย็นจนกระทังว่างางวันก็ร้อนมันก็จะมีอากาศเปลี่ยนอย่างเงี้ยเราดูจากสุขภาเป็นพิเศษเท่ากับว่าเมื่อปีนี้จบลงไปแล้วปีหน้าจะมีเปิดอีกไหมคะสาหรับการปฏิบัติธรรมที่นั่น ปีสองห้าห้าสามเราก็จะจัดตุ๊กเดือนค่ะหนจะมีอยู่แค่สองเดือนที่ที่ไม่มีเป็นช่วงที่ทำนาเปน็นต้นเองอ๋อคือเอื้อเฟื้อกับชาวนาใช่เพราะว่าผู้ผู้หลีงเลี้ยงส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นอ่ชาวบ้านที่มาจากแถวนี้ก็มีแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นพวกชาวบ้านแถวนี้ะฉะนั้นเราก็เอื้อเฟื้อเขาเพราะว่าก็ต้องมีบุคคลบุคลากรที่มาช่วยทำงานในวัดด้วยค่ะก็จะเป็นชาวบ้านแถวนี้เหมือนกัน แล้วไม่รับคนไกลๆอย่างคนกรุงเทพเผื่อฟังอยู่แล้วอยากไปบ้างเหรอคะออมีคนกรุงเทพมาจากกรุงเทพมาจากภาคใต้ภาคตะวันออกมีมาหมดเลยคือรับไม่จำกัดเพียงแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นคนแถวนั้นใช่แล้วแล้วปี2 0 1เ อ, อ่อ เราแพลนไวแล้วว่าจะเปิดคอร์สภาษาอังกฤษด้วยงั้นเดี๋ยวขอไปเรียนภาษาอังกฤษล่วงหน้าก่อนเดี๋ยวฟังไม่รู้เรื่องไปเข้าคอร์สนั้นน่าสนใจมากเลย2013ปีนี้กําลังจะหมดไปเนี่ยท่านผู้ฟังคะถ้าใครไม่ค่อยชอบฝรั่งนะคะหมายถึงว่าไม่ค่อยสนใจเรื่องฝรั่งฝรั่งเนี่ยเขาเรียกว่าปี2009ค่ะ2013นี่นับเปีกี่ปีคะ2013ก็ไปอีก3ปีค่ะนะคะท่านผู้ฟังถ้า คิดเ่าท้าทายสำหรับการที่จะไปปฏิบัติธรรมภาพภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะตอนนี้ก็ I U O K เอาไว้ก่อนแต่ว่าตอนค่ะพ อ, อนี้เป็นแบบภาษาไทยไงถ้าถ้าอย่างคุณหลนสนีจะมาเข้าก็ข้อข้อนี้ได้ภาษาไทยแต่สำหรับเพราะว่าลูกหลวงพ่อก็มีลูกศิล์ลูกหาที่เป็นชาวฝรั่งและชาวฝรั่งเขาก็สนใจธรรมะเยอะที่เป็นแบบพุทธวจนะซึ่ง ที่เป็นแบบพุทธวัณน์จริงๆโดยเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยยังไม่มีที่ไหนทำเหมือนกันขอจองไม่ได้เหรอคะอยากฟังภาษาฝรั่งที่เป็น พ, พุทธวัจนะได <laughs> ้ก็ต้องถนอมตัวเองไปกว่าจะไปถึงปี 2000, 2013 <ส inta. S 1> ให้แข็งแรงอยู่นะคะจะได้มีโอกาสมีวาสนาไปปฏิบัติธรรมทาภาษาอังกฤษค่ะานอาจารย์คะคงจะต้องนาท่านกลับมาสู่การถามโลกตอบธรรมนะคะวันนี้เนี่ย อยากจะให้ท่านได้ช่วยนำเอาตถาคตพาสิทธิที่เรากำลังแจกเป็นของขวัญปีใหม่108ร้อยแตถาคตพาสิทธิ์เนี่ยเอามาอาธิบายท่านผู้ฟังก็จะได้ทราบถึง เ, เนื้อหาว่ามีความน่าสนใจอย่างไรที่พระพุทธองค์ตรัสสอนเอาไว้แล้วก็ได้รวบรวมเอาไว้ในแผ่นพับกระทัดรัดแต่มีถึงร้อยคาถาแล้วก็สามารถนำเอาไปเป็นประโยชน์ในชีวิตประจาวันได้นะคะ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 สัตว์เหล่านั้นจงปรงศรัทธาลงไปเถิดจบหลังจากที่ตรัสคํานี้แล้วเนี่ยพระสามมาสัมพีทรอมก็คิดว่าโอ้เรียบร้อยแล้วพระพุทธเจ้ารับนิมนต์เราแล้วเขาเลยกลับไปถามว่าคาถาแค่เนี้ยค่ะาถาแค่เนี้ยพระพุทธเจ้าบอกว่าสัตว์เหล่านั้นจงปรงศรัทธาลงไปเถิดตรงนี้จะไปสอดคล้องกับเรื่องของปฏิจจสมุปบาทพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเธอเธอเห็นทุกข์เนี่ย ไม่เห็นทุกแล้วจะเห็นทำค่ะถามว่าเอ๊ะทำไมเราก็เห็นทุกอยู่ทุกวันทําไมเราไม่เห็นทำสัะาาทีเองหรอไหมค่ะนี่แหละ <c oughs> เห็นกรรมค่ะเวลาเห็นทุก <c oughs> ไ, มไม่คยเห็นทำค่ะ <c oughs> <c oughs> แ่อาจารย์คะเดี๋ยวขอประทานโทษเลยค่ะในร้อยแปดตถาคตพาสิทธิที่ดิฉันมีอยู่ในข้อเก้าสิบสามไม่ใช่เรื่องที่ท่านพูดนะคะเออตอนนีข้อเก้าสิบเจ็ดเก้าสิบเจ็ดค่ะอ๋อค่ะ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 เราถูกต้องความทุกอย่างได้อย่างหนึ่งเอ๊ทะทาไมไม่เห็นธรรมเพราะไม่มีศรัทธาถามว่าทําไมเราไม่มีศรัทธาทั้งๆที่เราว่ามีความทุกอยู่แล้วความทุกข์เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธามมาได้อย่างไรค่ะอันนี้จะต้องไปดูข้อที่เจ็ดสิบสามอต้องบวกกับเจ็ดสิบสาค่ะข้อเจ็ดสิบสามบอกว่าอย่างนี้ว่าเมื่อบุคคลมีสมาธิฏฐิแล้วกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นและกุศลธรรมที่เกิดอยู่แล้วก็เป็นไปเพื่อความเจริญไปบุญโดยยิ่ง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 คนที่มีสมาธิจะเห็นได้ตามที่เป็นจริงเมื่อเห็นได้ตามที่เป็นจริงความทุกข์ก็คลายลงเมื่อความทุกข์คลายลงก็ชื่อว่าเห็นธรรมเพราะฉะนั้นแค่สองคาถาเนี่ยข้อเก้าสิบเจ็ดกับข้อเจ็สิบสามเนี่ยคือประตูแห่งนิพพานอันเป็นธรรมะเราเปิดไว้แล้วแก่สัตว์เหล่านั้นสัตว์เราได้มีสตดประสัสสัตว์เหล่านั้นจงปรงศรัทธา ล, ลงไปเถิดถาม<ะ>ว่าจะมีศรัทธาทําได้อย่างไรนี่เมื่อเธอมีสัมมาทิฏฐิแล้วกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้น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 นะสัตว์อพระพุทธเจ้ามีอันนี้คือสมาทิฏฐิคือสมาทิฏฐอีกแบบหนึ่งก็คือว่าอทุกสมุทรไทยนิโรธมากเป็นอย่างนี้อย่างนู้ในเรื่องอของภริยสัจสีก็ได้ที น, นี้ถามว่าบุคคลในบุคคลหนึ่งอ่ะเจอความทุกข์แล้วจะเกิดสัทยาต้องบอกว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าต้องมีสมาธิฏฐิก่อนแล้วจะมีสมาธิฏิเนี่ยมันมาได้อย่างไร การที่จะมีสมาธิถิตนเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกเหตุปัจจัยไว้สองอย่างคืออย่างแรกเนี่ยต้องอาศัยการโฆษณาชวนเชื่อจากคนเราอือ่นการที่อเราพยมนสัญญีแล้วมาเนี่ยมาคอยบอกคอยสอนคําของพระผู้มีพระภาคเนี่ยคือการโฆษณาชวนเชื่อของชาวเราอื่นละแล้วอย่างที่สองที่เราจะต้องมีคือการโยนิโตมณสิการคือการทําในใจโดยแยกขายส่ตรองโดยรอบข้อว่าเสิ่งที่กําลังฟังอยู่เนี่ย มดีจริงหรือเปล่านำไปใช้ประโยชน์ได้ไหมข้อดีข้อเสียคืออะไรการโยนนิสโชมันลสิกาคันพอฟังสิ่งที่เรากครองพูดอยู่นี้เอามาคิดใคร่ครวนแล้วเกิดสมาธิทิที่ทพอเกิดสมาธิทิแล้วจะมีความศรัทธาพอมีศรัทธาแล้วจะเกิดความดีใจเขาขึ้นมาในใจคือปีติพอเกิดปีติแล้ว<ๆ>ก็จะเกิดความสงบประงับผู้มีกายสงบประงับแล้วเนี่ยจิตย่อมเสวยสุขผู้ที่มีความสุขเนี่ยจิตย่อมตั้งมั่นเป็นสมาธิ พอจิตเป็นสมาธิแล้วความทุกข์ก็ดับความทุกข์ก็ดับก็ชื่อวา่ว า, วาเห็นธรรมค่ะเพราะนั้นเห็นทุกข์จึงเห็นธรรมด้วยอาการอนี้อืมท่านอาจารย์คะในเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยช่วยทบทวนอีกสักครั้งได้ไหมค ะ, คะเพื่อที่ให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในวันนี้ไปเลยสําหรับท่านผู้ฟังที่กําลังฟังสองประคาถาสําคัญนี้อยู่ ค, ะค่ะอ่าอพูดถึงเรื่องสองถานี้ก็คือว่า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 บุคคลที่จะมีความทุกขแล้วจะสามารถเห็นธรรมได้ต้องมีศรัทธาก่อนเพราะอะไรเพราะว่าพระรูชาบอกว่าประตูแห่งนิพพานอันเป็นธรรมตะเราเปิดไปแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นสัตว์เราได้มีส่วนประสาทสัตว์เหล่านั้นจงปลงศรัทธาลงไปเถิดทางที่จะไปถึงนิพพานเนี่ยเริ่มจากศรัทธาก่อนเพราะฉะนั้นปาประตูนิพพานเนี่ยอยู่ที่ศรัทธา <c oughs> เราเข้าไปมีศรัทธาถามว่าอยู่ๆบุคคลในบุคคลหนึ่งจะมีศรัทธาได้อย่างไรค่ะ <c oughs>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 ถามว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่งจะมีความศรัทธาเนี่ยจะมาอย่างไรต้องมีสมาธิค่ะสมาธิทําไมมีสมาธิิแล้วจะเกิดศรัทธาได้เพราะว่าเมื่อบุคคลมีสมาธิิแล้วกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นและกุศลธรรมที่เกิดอยู่แล้วก็เป็นไปเพื่อความเจริญไปบุญน้อยยิ่งค่ะนี่เพราะฉะนั้นพอมีสมาธิแล้วจะเกิดศรัทธาถามว่าแล้วจะมีสมาธิิเนี่ยมันจะทํามันจะมาได้อย่างไงสมาธิเนี่ย ก็คือฟังรายการนี้อยู่นะเป็นการโฆษณาชวนเชื่อของคนเหล่าอื่บวกกับผู้ที่ฟังอยู่เนี่ยผู้ฟังรายการอยู่ต้องทําการทิ่นิดพิจารณาโดยแยกคลายไตรตรองโดยรอบข้อว่าที่พูดอยู่เนี่ยเป็นคําพระเจ้าไหมพูดจริงไหมทาไปใช้งานได้ไหมเป็นไปอย่าที่พูดหรือเปล่าลองไปพิสูจน์เมื่อทําการพิสูจน์ใคร้ครวนแล้วนะจะเกิดสมาธิติเมื่อเกิดสมาธิติแล้วความทุกข์ที่อยู่ตรงหน้าเนี่ย จะทำให้เราเกิดศรัทธาได้ว่าเอ๊ะมันน่าจะมีทางออกทางอื่นค่ะนะทางออกของปัญหานี้อย่างน้อยหนึ่งหรือสองทางทางออกคืออะไรพอเรามีศรัทธาแล้วเนี่ยจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าปีติคือความยินดีพอใจความดีใจปีติก็จะเกิดความสงบประงับเมื่อเกิดความสงบประงับแล้วสิ่งย่อมสวยสุขสิ่งของผู้มีสุขเนี่ยย่อมตั้งมันเป็นสมาธิ เมื่อไปสมาธิแล้วเนี่ยจะจะรู้เห็นได้ตามที่เป็นจริงค่ะก็เท่ากับว่าอันเนี้ยเป็นการพยายามอธิบายให้เข้าใจในเบื้องต้นก่อนก่อนที่ท่านจะได้รับเอาร้อยแปดตถาคตพาสิบนี้ไปเป็นสคสของปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสามที่กำลังมาแล้วท่านก็มีโอกาสที่จะเอาข้อเก้าสิบเจ็ดบวกกับข้อเจ็ดสิบสามเนี่ยให้ครวนจนเห็นตามที่ท่านอาจารย์ภัยบุญได้พยายามอธิบายไว้ แล้วก็นำตัวเองไปสู่การปฏิบัติจนกระทั่งได้พบผลดังที่พระคาถาได้จำแนกแจกแ จ, ง, แจงเอาไวไ<ด>้นะคะวันนี้ก็นมัสการขอบคุณพระอาจารย์ไพบุญอภิปุลโนไว้ณโอกาสนี้นะคะนมัสการค่ะการเจริญพรถามโลกตอบธรรมท่านฟังคะ่ะ ก่อนที่จะอ่านพุทธประวัติจากพระโอษฐ์ให้ฟังในช่วงนี้ในรายการสันสนีสนทนาโดยดิฉันสันสนีนาถพงศ์เนี่ยนะคะก็อยากจะกลับเรียนถึงท่านที่ได้ฟัง108ร้อยแปดปาคตพาสิทธ์เมื่อสักครู่นี้แล้วอยากจะได้สกลอสอล้ําค่าที่พระอาจารย์เพีบุญอภิปุญโญได้รวบรวมเอาไว้ให้เนี่ยนะคะก็ติดต่อเข้ามาที่หมายเลขโทรศัพท์022690006และ022690060ซึ่งในขณะเดียวกันเนี่ยเราจะมอบหนังสือ พุทธวัตรฉบับก้าวย่างอย่างพุทธะที่รทพระอาจารย์คึกฤทธิ์โสติพโลวัฒนาปะพงลำลูกกาคลอง1ิเนี่ยนะคะได้มอบมาให้แจกให้กับท่านฟังที่สนใจที่จะศึกษาพุทธวัจนะทาวินัยจากพุทธโอษนะคะค่ะและตอนนี้ก็จะเป็นการอ่านพุทธประวัติจากพระโอษในช่วงที่เป็นการกรัดเล่าถึงบุรุษพระชาติของพระพุทธองค์ คือชาติก่อนว่าทรงบำเพ็ญอะไรมาบ้างถึงได้มาเป็นพระพุทธเจ้ามีอยู่พระชาติหนึ่งค่ะเป็นเวลามะพรามกรัดเล่าแกข่ขหาบดีว่าในการดึกดำบันได้มีพรามผู้หนึ่งชื่อเวลามะเวลามะพรามนั้นได้บริจาคทานอันเป็นทานอย่างใหญ่หลวงเห็นปานนี้คือให้ถาดทองจำนวน8 4ดห0่สี่พันอันบรรจุเต็มด้วยเงินถาดเงินจานวน 84% พันบรรจุเต็มด้วยทอง ให้ถาสัมฤทธิ์แปดหมพันเต็มด้วยเงินให้ช้าง 84% ดหมพันประดับแล้วด้วยเครื่องทองธงทำด้วยทองตะข่ายเครื่องปิดก็ล้วนทำด้วยทองให้รถจำนวน 84% ดหมพันหุ้มบุกด้วยหนังราชสีหนังพยักหนังเสือเหลืองผ้ากำพลเหลืองประดับไปด้วยเครื่องทองธงทำด้วยทองตะข่ายเครื่องปิดก็ล้วนทำด้วยทองได้ให้แม่โคโนมจำนวน 84% ดหมพันล้วนกำลังมีนมไหลรูดรองได้ ได้ให้นางสาวน้อยจำนวน 84% ดหมื่่พแตละนามีตุ้มหูประดับมณีได้ให้บัลลังก์จำนวน 84% ดหมพันซึ่งลาดด้วยขนเจียมลาดด้วยสักการาดผ้าปักลวดลายลาดด้วยเครื่องลาดที่ทํำด้วยหนังชมดมีเพดานแดงมีหมอนข้างแดงได้ให้ผ้าจำนวน 84% ดหมพันคือผ้าทอได้เปลือกไม้อละออออละเอียดอ่อนผ้าไหมอัลละเอียดอ่อนผ้าฝ้ายอัลละเอียดอ่อนฉะนั้นจะไม่ต้องกล่าวถึงการให้ข้าวให้น้ําให้ของเคี้ยวของบริโภค ให้เครื่องลูบไล้เครื่องทาและให้เครื่องนอนเวลามะพรามนั้นบริจาคให้ไปให้ไปเหมือนแม่น้ำไหลไม่ขาดสายขหบดีก็ความคิดอาจมีแกท่านว่าผู้อื่นตังหาาที่เป็นเวลามะพรามผู้ให้ทานอัญชัยหลวงในครั้งนั้นขหบดีท่านไม่ควรคิดไปอย่างนั้นเรานี่เองได้เป็นเวลามะพรามในสมัยนั้นเราเองได้บริจาคทานอัให ญ, ญ่หลวงนั้นขหบดี ก็แต่ว่าการให้ทานในครั้งประโน้นใครๆที่จะสมควรรับทักษินาทานไม่ได้มีเลยใครๆที่จะช่วยให้การทักษินาทานนั้นบริสุทธิ์ได้ก็ไม่มีเลยค่ะเห็นไหมคะว่าในแต่ละพระชาติของพระพุทธองค์นั้นได้ทรงบําเพ็ญบารมีอย่างยิ่งจริงๆนะคะและนี่ก็เป็นพระชาติหนึ่งครั้งที่เป็นเวลามะพรามตราเล่าแก่อนาถบินทิกะขหบดี ที่อารามเชตวันท่านกําลังฟังรายการสัสนิสนทนานะคะรายการที่ได้ร่วมที่จะสืบทอดพระพุทธวจนะธรรมวินัยจากพุทธโอษให้ท่านได้ฟังกันอย่างเข้าใจง่ายๆเข้าถึงง่ายๆท่านจะได้ไม่กลัวคําสอนของพระพุทธองค์ที่เป็นคําพระพุทธเจ้านะคะแล้วก็ยังไม่เพียงแต่มาจากรายการเท่านั้นท่านที่สนใจอยากจะศึกษาก็มีหนังสือ หรือว่ามีแผ่นพับที่เรากําลังแจกตอนนี้เป็นสสเนี่ยนะคะเพื่อที่จะให้ท่านได้ไปศึกษาด้วยตนเองหลังจากที่ฟังรายการจบไปแล้วอีกจะได้ทําให้ท่านเกิดความรู้ความเข้าใจแล้วทราบว่าทําไมพระพุทธศาสนาของพระพุทธองค์นั้นถึงได้ยั่งยืนมาจนถึงทุกวันนี้ไม่เสียทีที่เราเกิดมาเป็นชาวพุทธค่ะและสําหรับวันนี้รายการ ส, ามสัมสนทนาดิฉัน ส, มสนันมมนาคุณพง์ก็ต้องลาท่านฟังไปก่อนนะคะ วันละครึ่งชั่วโมงทุกจันทร์ถึงศุกร์พบกันเช่นเคยที่นี่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะติดตามการเข้าถึงหลักแห่งความเป็นจริงและวิธีแห่งการหลุดพ้นได้ในสันสนีสนทนาเวลา5นาฬิกาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์กับสันสนีนาคพง์ที่นี่สทอร f m ยวิทยุครอบครัวข่าวเข้าใจทุกข่าวเข้าถึงทุกคน